มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็นมูลหมวดที่หภิกษุจงใจพยายามน้ำอสกิดสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนนมสดน้ำอสกิดสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนนมส้มภิกษุจงใจพยายามน้ำอสกิดสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษภิกษุจงใจพยายาม น้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันและสีเขียวน้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหลืองน้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันและสีแดงน้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันและสีขาวน้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนเปลียงภิกสูจงใจพยายามน้ำอสจิสีเหมือนน้ำมันและสีเหมือนน้ำท่าเคลื่อนต้องอบัตสังฆาทิเศษ